พรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษาสำหรับการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาสามเดือนนะก็พรุ่งนี้สำหรับหลายคนนะก็เหมือนการนะสิ้นสุดของช่วงหนึ่งในชีวิต เวลาสามเดือนมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเวลาที่ายาวนานเท่าไหร่เมื่อเทียบกับชีวิตของเราแต่ว่ามันก็ จ, จะมีความหมายนะสำหรับชีวิตของเราในภายภาคหน้าสหรับบางคน วันนี้กับอาทิตย์หน้าก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันชีวิตก็ยังเหมือนเดิมแต่สำหรับหลายคนวันนี้กับอาทิตย์หน้าหรือ2 อ, อาทิตย์หน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบางท่านก็อาจจะศึกษาลาเพศไปอีก2ออาทิตย์หรืออีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าชีวิตนี้าาชีวิตการดาเนินชีวิตก็าจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างจาก ที่ดำเนินอยู่ตอนนี้บางคนแม้จะเป็นขลือหัดเป็นคารวาดนะแม้จะไม่ได้ศึกษาลาเพศไปแต่ว่าก็อาจจะต้องกลับไปบ้านนะกลับไปภูมิลำเนากลับไปที่ทำงานหลังจากมาจำพรรษาปฏิบัติเป็นแลมเดือนหรือสามเดือน แล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะต้องมาพิจารณาว่าสามเดือนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างไหมในชีวิตจิตใจของเราลองทบทวนดูนวันแรกที่เราได้มาที่นี่ หรือว่าวันแรกที่เริ่มต้นการจำพรรษาความรู้สึกนึกคิดของเราตอนนั้นเป็นอย่างไรบางคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจมีความวิตกกังวลว่าจะอยู่อย่างไรตลอด3เดือนนี้ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้อย่างมีความสุขหรือเปล่า เรือจะรู้สึกแปลกตินแปลกถิ่นแปลกสถานที่ไม่รู้สึกว่าจะคุ้นชินนะกับสถานที่แล้วก็ชีวิตในเพศนักบวชหรือว่าในคราบของนักปฏิบัติธรรมแล้วกลับมาดูตอนนี้เป็นอย่างไร ก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกที่เหินห่างไม่คุ้นชินแปลกแยกกับสถานที่ก็จะรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นบ้านมันเป็นบ้านหนึ่งของเราที่เคยไม่มั่นใจเคยวิตกกังวลว่าจะอยู่อย่างไรก็จะแปดเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกสบาย อันนี้มันก็น่าจะสอนใจเราหรือบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเราว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนหลายอย่างเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการวิตกกังวลไปล่วงหน้าเอาคนเรานี่พอมองอะไร ไปล่วงหน้าแล้วก็ง่ายที่จะเกิดความวิตกกังวลหรืออาจจะหนักไปถึงขั้นตีตวนไปก่อนใข้ก็ได้แต่ถ้าเราอยู่มีชีวิต อ, อยู่กับแต่ละวันแต่ละวันอย่างเป็นปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับแต่ละวันแต่ละวันก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะ ในการที่จะดำเนินชีวิ ต, วตที่นี่หรือว่าในการปฏิบัติในเพศสภาพใหม่แต่ละวันแต่ละวันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันที่ดี ม, มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลถ้าใคยวิตกกวนส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการที่เรา มองไปข้างหน้าแล้วก็ปรุงแต่งเอาเองก็เสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นคนเรานี่ทุกเพราะการปรุงแต่งเอาเองนี่ซะเยอะนะถ้าว่าเราถอนใจถอนจิตออกมาจากสิ่งปรุงแต่งมาอยู่กับปัจจุบันก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลมาก ลองพิจารณาดูนะว่าสามเดือนที่ผ่านมาเราได้เดีรู้อะไรบ้างมีอะไรบ้างหรือเปล่าที่ลดล ะ, ละได้การมาอยู่เป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นชีเป็นพระหรือว่าเป็นคารวะสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเรียนรู้ก็คือการที่ลดละ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเครื่องข้องขัดในจิตใจในทางโลกเนี่ยความสุขก็เกิดจากการที่มีเยอะๆได้มาเยอะๆต้องมีให้ได้มากๆต้องสะสมให้ได้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุรูปธรรมเช่นทรัพย์สมบัติเงินทองหรือว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม นะเช่นชื่อเสียงเกติยศนะสถานภาพนะความสำเร็จของชีวิตก็วัดกันด้วยปริมาณด้วยการดูว่ามีมีมากขึ้นไหมมีเพิ่มไหมแต่ว่าในทางธ ร, รเนี่ยความสำเร็จนะถ้าจะใช้คำนี้นะมันก็อยู่ที่การลดการละ ไม่ได้แปลว่าต้องลดละทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกน้าคือการลดละความยึดติดลดละความยึดติดมันลดลงไปลดลงไปลดลงไปถ้าความสำเร็จหรือว่าความก้าวหน้ามันอยู่ที่ตรงนี้ อยู่ที่การสละเช่นการให้ทานแน่นอนเมื่อสละไปมากๆเข้ามันก็ต้องสิ่งที่มีก็ต้องลดลงไปนะแต่แม้จะลดก็มีความสุขได้นะกับสิ่งที่มีน้อยลงนะความสุขในทางโลกนี่เกิดจากการมีเกิดจากการได้เยอะๆอย่างที่พูดมา และยิ่งมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกาลายเป็นคนที่อยู่ยากขึ้นเพราะว่าถ้ามีน้อยลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่มีความสุขแลวเช่นคนที่คุ้นกับการขับรถคันใหญ่มีบ้านหลังใหญ่พอมาอยู่บ้านหลังเล็กนะหรือว่ามารถคันเล็กลงก็จะรู้สึกไม่มีความสุข หรือเคยฟังเพลงด้วยเครื่องเสียงราคาเป็นล้านลำโพงราคาเป็นแสนนะัพอมาฟังเพลงด้วยเครื่อง MP3 นี่ก็ไม่ไม่รู้สึกเพลาะแล้วยิ่งมาฟังวิทยุ FM ด้วยนี่ยิ่งไม่รู้สึกเพลาะใหญ่กลายเป็นคนที่สุขยากนะนะเพราะว่าถ้าจะสุขให้ได้มันก็ต้องใช้ของราคาแพ ง, แพง อันนี้ก็เกิดจากการที่ความเคยชินของจิตใจของเราพอได้เสพได้มีมากๆเข้ามันก็จะชินและพอมีน้อยลงหรือว่าเสพน้อยลงก็จะให้ความสุขาก็กลายเป็นความทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งต้องยิ่งต้องเสพให้มากขึ้นหรือต้องหาสิ่งเสพสิ่งปนเปื้อให้มากขึ้นเพื่อที่จะรักษาระดับของความสุขเท่าเดิม แต่ว่านักปฏิบัตินี่จะตรงันข้ามจะสวนกระแสนั่นก็คือว่ายิ่งมียิ่งมีน้อยนะก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขทรัพย์สมบัติยิ่งมีน้อยลงก็ก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่ามันหมายถึงมีภาระน้อยลงภาระน้อยลงไปเรื่อยเืน้อยลงไปเรื่อยๆ ไม่ต้องมาเสียเวลากับการดูแลรักษาเวลาจะได้ไปทำอย่างอื่นนะที่มีประโยชน์แล้วก็กลายเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายและถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากนะก็ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองแต่ใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอันนี้คือลักษณะของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล ก็คือมีมากก็จริงนะแต่ว่าตัวเองใช้นิดเดียวใช้ไม่มากนะที่เหลือนี่ก็เอาไปเอื้อเฟื้อผู้อื่นสามารถจะมีความสุขจากการเสดเพียงเล็กน้อยหรือมีชีวิตที่เรียบง่ายนะเรษตรทีสมัยนี้ที่มีความฝ่ายใจในธรรมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะ ก็อยู่ง่ายกินง่ายแต่ว่าทํางานขยันขันแข็งนะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกอืเกอ้อกูลผู้อื่นแลนะพอความสุขมาไม่ได้อยู่ที่การมีมากๆนะแต่เพราะว่ากิเลสลดลงความมีแก่ตัวลดลงนะความยึดติดถือมั่นลดลงนะก็จะพบความสุขจากการลดละท่วา อันนี้เราก็พิจารณาดูนะว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันช่วยทาให้เราลดละได้มากน้อยแค่ไหนเป็นการลดละที่ไม่ใช่ตามมาด้วยความเครียดหรือว่าความหลงตัวลืมตนว่าฉันแน่ฉันเก่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ลดละเท่าไหร่เพราะว่าอัตราตัวตนมันเพิ่มผูนมากขึ้น ลดละที่สำคัญก็คือลดละตัวอัตตานี่แหละบางคนแม้ว่าจะมีน้อยลงใช้น้อยลงแต่ว่าอัตตาตัวตนเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นก็มีนะอันนี้ก็ต้องระวังก็ต้องตามดูด้ว่าเออเรามีชีวิตที่ง่ายเรียบขึ้นแล้วเออัอตตาตัวตนมันลดลงไหม หรือผู้ให้ถั่วคือว่าไอ้ความอยากใหญ่ความยึดติดถือมันในตัวตนมันลดลงหรือเปล่านะต้องดูตรงนี้จิตใจกระเพื่อมมากน้อยแค่ไหนเวลามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นนะถือทางใจนะถูกตำหนิถูกต่อว่ารู้สึกยังไงใจกระเพื่อมไหมนะ อย่างที่เคยบอกไว้ว่านักปฏิบัติธรรมนี่พอปฏิบัติมากๆานี้มันจะมีภาพลักษณ์ที่ดีใครๆก็ชื่นชมสารเสรินและถ้าเกิดติดในภาพลักษณ์นี้ขึ้นมามันก็ทำให้ตัวตนอัตตาเพิ่มขึ้นนะพอมีใครมาตำหนิแม้แต่ตำหนิแค่เบาวๆว่าไม่มีสติเลยแค่นี้ก็โกรธโมโหนักปฏิบัติธรรมอ่อนไหวนะ คำพูดเพียงเท่านี้แหละว่าไม่มีสติไม่ต้องด่าให้มากไปกว่า น, นั้นก็ได้แค่แค่ทักแค่ทายว่าไม่มีสติหรือว่าไม่มีสีแค่นี้โอกโกรธนะอันนี้ก็แสดงว่ายังยังมีความยึดติดถือมั่นในอัตตาหรือในภาพลักษณ์ของตัวแล้วก็ต้องดูใจของเราไปด้วยา ล, ลองตรวจสอบดูนะว่าไอ้ความ ความลดละทั้งทางกายคือการเสพการบริโภคการลดละทางวาจ า, าเช่นไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดพร่ำเพรือ่อและการลดละทางใจนะไม่ว่าจะเป็นความฟุง้งซ่านนิวรแล้วก็ที่สำคัญก็คือไอ้ความ็ีแกตัวกิเลสความยึดติดถือมันมันลดลงหรือเปล่า บางทีเราก็ดูไม่ออกนะมันก็ต้องไปไปให้คนอื่นทดสอบดูไปเจอบทดอบทดสอบเจอบททดสอบจั ง, จงๆแรงๆแล้วก็ดูว่ามันเป็นอย่างไรมีความทุกข์ไหมอาจจะยังมีความทุกข์อยู่แต่ว่าลดลงรู้ทันได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งนะ ของการของนักปฏิบัติวัาเจริญก้าวหน้าแค่ไหนคือดูเรื่องความการลดการละสามารถจะมีความสุขแม้ว่าจะเสพน้อยลงบริโภคน้อยลงหรือว่ามีชีวิตที่เล็บง่ายมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือดูว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนล้ายให้กลายเป็นดีได้หรือเปล่า ชีวิตเราไม่ใช่ว่าจะเจอแต่สิ่งดีๆตลอดมันก็เจอสิ่งไม่ดีบ้างไม่ว่าสิ่งที่มากระทบกับเราเหตุายๆที่เกิดขึ้นกับเราหรืออารมณ์อกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจหลวงพ่อท่านก็เฝ้ายา้ำเฝ้าพูดนะว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงให้ความเป็นให้กลายเป็นความไม่หลงเปี่ยนเปลี่ยนโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธ อันนี้แล้ก็คือสิ่งที่วัดความเจริญก้าวหน้าของนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระชีหรือว่าคฤหัตจะรอจะรอรับแต่สิ่งดีๆนี่มันไม่ได้นะมันไม่มีทางที่เราจะเจอแต่สิ่งดีๆเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีบ้างแต่นี่เป็นหน้าที่ของเราก็คือว่าเมื่อเจอร้ายก็เปลี่ยนให้เป็นดี เมื่อเจอทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์นะจะให้ใครเปลี่ยนก็ไม่ได้นะเช่นเจอเสียงดังเจอเสียงดังแล้วก็ทุกข์ใจขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาจะเฝ้าบนว่าเมื่อไหร่จะหลีกเสียงให้เบาลงอันนี้นี่ก็เสียเวลาเปล่าระหว่างการ ทำให้เขาหลีเสียงให้เบาลงนะกับการที่นะหลีความทุกข์ในใจเราเนี่ยอะไรมันจะง่ายกว่ากันสำหรับคนทั่วไปนะก็ต้องไปก็อจะคิดว่าการไปทำให้คนอื่นเนี่ยหลีเสียงให้เบาลงนี่มันง่ายกว่าการที่จะหลีความทุกข์ในใจนะแต่ว่านักปฏิบัติมองตรงข้ามนะว่า จะไปให้คนอื่นเขาหลีเสียงนี่อาจจะยากนะแต่ว่าถ้าเรามาปรับที่ใจของเราหรีความทุกข์ในใจให้มันลดลงนะหรือเปลี่ยนความราคาญความหงุดหงิดให้กลายเป็นความไม่ราคาญไม่งุหงุดหงิดอันนี้ทำได้ง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่มีการปฏิบัติหรือชาวโลกทั่วไปก็จะไม่คิดถึงตรงนี้เลย นะคิดแต่จะไปเรียกร้องคนอื่นแต่ไม่นึกที่จ ม, มาจัดการกับใจของตัวเองนะเพราะว่าไม่เขาไม่ไม่หมั่นดูใจของตัวแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดการเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ความหยุดหให้กลายเป็นความไม่หยุดหนีได้อย่างไรนะใจนักปฏิบัติเราทำได้ถ้าเรามีสติเรามีปัญญานะมันก็ไม่ใช่เรื่องหรือวิสัย ถ้าทาไม่ได้ก็แสดงว่าการเป็นนักปฏิบัตินี้ล้มเหลวนักปฏิบัติจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าจะเรียกร้องสิ่งภายนอกอย่างเดียวเช่นเวลานั่งสมาธิก็ก็เรียกร้องให้หรือคาดหวังให้สิ่งภายนอกที่มาสงบถ้าสิ่งภายนอกไม่สงบนี้ฉันนั่งสมาธิฉันทำความสงบใจไม่ได้มีเสียงดังขึ้นมาก็จะหงุดหงิด คนไม่ไหวก็จะต้องลุกขึ้นไปขอร้องให้เขาหยุดส่งเสียงถ้าเขาไม่หยุดก็จะเริ่มด่าว่าเขาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับเขากลายเป็นทะเลาะเบาแวงกันอันนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัตินอกปฏิบัตินี่แม้เสียงจะดังแดดจะร้อนเสียงแวดร้อไม่อำนวยก็ยัง รักษาจะให้เป็นปกติหรือสงบได้เพราะอะไรก็เพราะรู้จักวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละจะให้คนอื่นมาทำให้ไม่ไม่มีทางทำได้ต้องใจของเราธรรมชาติก็ให้สติธรรมชาติก็ให้ปัญญาให้อะไรหลายอย่างที่ดีๆแกเรา ก็ต้องรู้จักใช้และยิ่งใช้นี่มันก็ยิ่งจะเลยงอกงามนะมันก็เหมือนกล้ามเนื้อถ้าเราออกกําลังกายบ่อยๆนี่ก็แข็งแรงสติก็ดีปัญญาก็ดีก็เช่นเดียวกันต้องใช้บ่อยๆนะจะทำให้คล่องแคล่วว่องไวนี่เราก็มาดูนะว่าเออเราเปลี่ยนได้ไหมนะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจที่มันร้ายให้กลายเป็นดีได้ไหม อะที่ผ่านมาเราก็คิดจะไปเปลี่ยนข้างนอกไปควบคุมข้างนอกจะไปเปลี่ยนข้างนอกไปควบคุมข้างนอกก็ต้องมีอํานาจต้องมีเงินถ้ามีอํานาจก็สั่งได้ถ้ามีเงินก็สั่งได้สั่งนี่ก็อาจจะสั่งคนให้ไปจัดการหรือทําตามอํานาจของเราหรือว่าซื้อเทคโนโลยีมาเพื่อที่ทําให้มันอะไรอะไรมาสะดวกสบาย ตามใจเราหรือสนองกิเลส ข, ของเรามันก็กลับไปสู่ข้อแรกที่พูดไปก็คือว่าความสุขของคนในปัจจุบันก็เกิดจากการที่มีมากๆ ถ, ถึงมีน้อยมันก็สุขได้เพราะว่าความสุขเราก็พ่วงอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนรให้กลายเป็นดีหรือเปล่าร้ายนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งภา ย, ภายในก็ได้นะสิ่งภายนอกก็ได้เหมือนกันอะไรที่เกิดกับตัวเองเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวเองเช่นความสูญเสียความเจ็บป่วยสิ่งที่คลๆายๆเรียกว่าเครากกรรมนักปฏิบัติก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นดีได้มันอยู่ที่มุมมองนะ ในะช่วงที่เกิดน้ำท่วมที่โคราชเนี่ยนะน้ำมันท่วมจนถึงหน้าอบนะผู้คนต้องอบพยพโยกย้ายกันขนของขึ้นบ้านแล้วคนก็ตกใจนะตกใจเด็กๆ ก, ก็ตกใจมีบ้านอย่างเงี้ยครอบครัวเขาใจเสียเด็กๆนี่ใจเสียหมดเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะมันมันก็ถูกตัดขาดเลยนะ แต่ว่าแม่นี่ก็มีสติดีแม่ก็ถามลูกว่าเนี่ยไอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมีอะไรดีบ้างเด็กก็ได้คิดนะเออเขาก็ดูนะมันมีอะไรดีบ้างน้ําท่วมแบบนี้เนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้ข้าวไม่รู้จะมีกินหรือเปล่านะโทรศัพท์นะมันก็แบตเตอรี่ก็อ่อนหมดไปเรื่อยๆมันมีอะไรดีบ้างนะเด็กคิดก็บอกว่าโอ้ ดีตรงที่ว่าพ่อแม่ลูกได้มาอยู่ด้วยกันได้มาอยู่ใกล้ชิดกันนะเด็กเขาคิดได้นะแล้วเขาก็ได้เกิดกำลังใจที่เคยตื่นตหนกตกใจก็เออมันทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนลายกลายเป็นดีนะน้าก็ยังท่วมอยู่ความลำบากก็ยังมีอยูนะ่แต่ว่ามุมมองมันทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไป มันก็มีความดีข้อดีของมันอยู่เหมือนกันคนบางคนนั่นเป็นริวคิมเมียตั้งแต่เล็กนะก็ตกตกใจว่าจะทำยังไงแม่ก็ตกใจพ่อก็ตกใจแต่ว่าพอได้มีคนแนะนำเขาก็เริ่มได้คิดขึ้นมาถามว่ามันมีอะไรดีบ้างลิวคิเ ม, มีย น, นี่ ก็มีหลายครอบครัวพบว่าเออมันก็มีดีนะทำให้ครอบครัวได้มาใกล้ชิดกันมากขึ้นพ่อแม่หันมาใส่ใจลูกมากขึ้นมีเวลากับลูกมากขึ้นหรือคีเมีดึงให้พ่อแม่ลูกได้มาอยู่ใกล้ชิดกันได้มีความเห็น อ, อกเห็นใจกันให้กาลังใจกันก็ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอันนี้ขนาดเขาไม่ได้เป็นนักปฏิบัตินะแต่เขาก็สามารถจะเห็นได้ว่า มันก็มีข้อดีของมันอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเรานะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเหมือนกันก็คือมองเห็นข้อดีจากสถานการณ์ที่ดูมันแย่แถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นนะแม้แตป่ประสบการณ์ในอดีตเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ในอดีตี่เราทำอะไรกับมันไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านเลยไป แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็คอยทิ่มคอยแทงจิตใจเราพอนึกถึงก็รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเดยเพราะถ้ามันมีเรื่องของความสูญเสียเรื่องของการอเอาเปรียบรังแกเบียดเบียนกันหลายคนพอนึกถึงเหตุการณ์ไนเดี๋ยวก็รู้สึกเจ็บปวดแต่แม้กันนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นดีได้ มองมุมใหม่มันก็กลายเป็นของดีได้เช่นความทุกข์ยากในวัยเด็กไอ้ตอนนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดมากรู้สึกทำไมพ่อแม่ทำไมเราถึงไม่มีพ่อแม่ที่รวยทำไมแม่ถึงทิ้งเราทำไมแม่ถึงไม่ซื้ออย่างนั้นอย่างนี้ให้เรารู้สึกทำให้เราสึกย่ำแย่สึกเสียหน้าอับอายเพื่อ น, นประสบการณ์ในวัยเด็กของหลายคนเป็นอย่างนี้แต่พอโตขึ้นหันมามอง ในมุมหนึ่งก็กลับรู้สึกซาบซึ้งเพราะว่าไอ้ความทุกข์ยากลำบากนี่แหละที่ทําให้เราเข้มแข็งทําให้เรายืนหยัดทําให้เรารู้จักพึ่งตัวเองคนเรพอเปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบนี้นะไอ้ความไอ้เหตุการณ์ที่รู้สึกมันร้ายในอดีตนี่มันกลายเป็นหมดพิษสงไปเลยมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเจ็บปวดได้อีกต่อไปเวลาเราลึกนึกถึง อันนี้คือเลิ่เป็นการเปลี่ยนมุมมองหรือการทำทำให้มันมีความหมายขึ้นมาใหม่จากความหมายที่แย่ๆที่ทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตแต่พอเรามองให้เห็นข้อดีของมันโอ้มันกลายเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่มีหลายคนนะที่เขามีความมีประสบการณ์ที่แย่ๆในอดีตแต่พอมีคนมาแนะนำว่า ลองมองดูซิว่ามันมีข้อดีอยังไงบ้างมันก่อให้เกิดประโยชน์แกเราอย่างไรบ้างพอเขามองเห็นเนี่ยให้ความรู้สึกที่แย่ๆต่อเหตุการณ์ในอดีตมันเปลี่ยนไปเลยเขารู้สึกดีกับมันก็หมายความว่ามันไม่สามารถที่จะมาทิ้มแทงกันอีกต่อไปเมื่อระลึกนึกถึงอันนี้ก็ เ, เรียกว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้ เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ก็กจริงแต่ว่าเราเปลี่ยนความหมายของมันได้เปลี่ยนคุณค่าของมันได้เหมือนกับหลายคนนะเจอความยากลำบากบางคนไปออกค่ายเจอการทะเลาะวิวาทกันใ น, ในเพื่อลมค่ายมีการแข่งแย่งการรู้สึกแย่รู้สึกเสียความรู้สึกแต่พอเวลาผ่านไปกลับมามองใหม่เราก็เห็นว่าเออ มันก็ดีนะมันทําให้เกิดการรักกันเพื่อนรักกันไอ้ที่ทะเลาะ ก, กันนี่แหละมันทําให้รักกันดีนักแหลพอเห็นอย่างงี้เขาก็เปลี่ยนได้ น, นักปฏิบัติธรรมก็ต้องสามารถทำอย่างนี้ได้นะก็คือว่าสามารถจะมองมันในมุมใหม่ซึ่งจะทำให้เหตุร้ายกลายเป็นดีได้เราไม่ได้เปลี่ยนอดีตเพราะเราเปลี่ยนไม่ได้ ว่าเราเปลี่ยนความรู้สึกเกี่ยวกับมันได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงคาบันศาเนี่ยเราก็ถึงมาถึงตอนนี้เนี่ยนะเราก็บางคนก็อาจจะนึกเสียดายว่าบางอย่างที่ไม่ได้ทําอาจจะรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์บางอย่างหรือการกระทำการกระทำบางอย่างอาจจะนึกอยากจะย้อนกลับไปเพื่อเปลี่ยน เหตุการณ์แต่มันก็ทาไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรลองย้อนกลับไปดูแล้วก็หาหาความหมายที่ดีๆกับมันบ้างดึงเอาสิ่งดีๆออกมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบ้างมันก็จะช่วยได้มันก็เหมือนกับหนังสือนะหนังสือเนี่ยเราอ่านไปครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่า เราอ่านไปจบแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะย้อนกลับไปอ่านไม่ได้และคนฉลาดเนี่ยย้อนกลับไปอ่านก็จะได้แง่คิดใหม่ๆจากหนังสือเล่มเดิมประสบการณ์ของเราเนี่ยไม่ว่าสามเดือนหรือ3ปีมันก็เหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อเราย้อนถวนกลับไปดูเราก็อาจจะเห็นอะไรที่ดีๆที่มันซุกซ่อนอยู่ คนฉลาดนี่กลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมเนี่ยมันไม่เคยซ้ำเดิมเลยมันจะได้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอแม้จะมีบางตอนที่อ่านไม่รู้เรื่องในคราวแรกพอกลับไปอ่านใหม่โอ้มันได้แง่คิดแม้จะมีบางบทที่ไม่ชอบเลย น, น่าเบื่อเหลือเกินแต่พอกลับไปอ่านใหม่โอ้มันให้แง่คิดที่ดีมากาประสบการณ์ของเราก็เหมือนกันนะ มันเปลี่ยนเปลี่ย น, ปยนแปลงไม่ได้เหมือนกับหนังสือที่เขียนยังไงก็เขียนอย่างนั้นพิมพ์งไงก็พิมพ์อย่างนั้นแหละแต่เรากลับไปพิจารณามันกลับไปหาความหมายของมันกลับไปเก็บเกี่ยวบทเรียนใหม่ๆได้เสมอ้าผ่านไปสิบปี20ปีย้อนกลับไปดูมันก็ได้อะไรใหม่ๆอยู่ที่ว่ามองเป็นหรือเปล่าถ้ามองไม่เป็นนี่มันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่ เหมือนกับดูหนังกลับไปดูหนังเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าก็ได้เหมือนเดิมความรู้สึกอาจจะเบื่อได้ซ้าเพราะว่ารูแล้วจะจบยังไงแต่ถ้าคนฉลาดนี่เขากลับไปอ่านกลับไปดูแล้วมันจะได้ง่าคิดใหม่ๆเสมอแม้แต่ส่วนหรือบทที่มันแย่ที่สุดก็ยังเห็นข้อดีของมันได้ น, น, นี่เราก็ลองดูนะว่าเราสามารถที่จะ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากประสบการณ์ของเราได้หรือเปล่าสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่แย่ๆให้มันกลายเป็นดีได้ถ้าเราทํางนั้นได้ก็แสดงว่าเรามีโอกาสที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรม3เดือน หรือบางคนอาจจะเดือน2เดือนอาจจะไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่ปัญญาญาณอาจจะไม่เกิดนะแต่ว่าถ้าจับหลักได้นะรู้วิธีที่จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหรือว่าสามารถที่จะลดละนะสิ่งที่มันเป็นนิวรนเป็นกิเลสเป็นอัตตาได้ก็ถือว่าไม่เสียเวลานะที่ได้มานะปฏิบัติธรรมได้มาใช้เวลานะที่สําคัญอยู่ร่วมกันนะที่นี่ เอาล่ะก็ค่ำนี้ก็พูดกันเท่านี้อ่ะกลับพระ